เราได้อธิบายไปแล้วในฉบับที่แล้วว่าผู้จะทำประโยชน์ให้ประชาชนหรือรับใช้ประชาชนกันอย่างเป็นจริงนั้นต้องเป็นคนที่มีพลังงานของสัตบุรุษจริงจึงจะเข้าไปทำการกระทบสัมผัสในวงเล็บปฏิคะสัมผัสโซนิวเคลียสนั้นจนมีพลังเปลี่ยนจีโนมจีโนมในในวงเล็บจีโนม ในคโครโมโซมไปจนถึงในยีนในดี a อ็นเอิทธินสีกลายเป็นปุลิสินสีได้จากธรรมะสองกลายเป็นในวงเล็บพวันติเวทนาที่รวมลงเป็นหนึ่งในวงเล็บเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสมุสรณาพวันตินั่นคือจากเคหาสิตะเวทนาในวงเล็บโลกิยธรรม สุขเวทนาทุกขเวทนากลายเป็นเนคขมมะสิตะเวทนาในวงเล็บโลกุตรธรรมถึงขั้นเนคขมมะสิตอุเบกขาเวทนาหรืออารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ชนิดที่เป็นพลังงานของคุณวิเศษอาริยบุคคลแท้ๆไม่ใช่แค่เคหะสิตะอุเบกขาเวทนาแน่ๆและการเปลี่ยนเพศในวงเล็บลิงคะนี้ ย่อไม่ใช่การกระทาของหมอที่แปลงเพศให้กระเทยซึ่งเป็นการผิดศีลของพุทธในองเล็บที่พระพุทธเจ้าทรงตราเป็นศีลในมหาศีลข้อ7พระตรัยปิฎกเล่ม9ข้อหนึ้นั้นเด็ดขาดที่แปลงกระเทยนั่นเดราชาวิชาแปลงร่างกายตามใจกิเลสแต่นี่เปลี่ยนแปลงจิตใจ ด้วยคุณธรรมอันสูงส่งวิเศษซึ่งเป็นการเปลี่ยนเพศของนมามธรรมขั้นชีวะทีเดียวและเป็นชีวะขั้นจิตนิยามด้วยไม่ใช่แค่ขั้นผีชนิยามเท่านั้นขอเน้นนะว่าที่อาตมากำลังโยงใหญ่เอาภาษาทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายประกอบนี้เพื่อจะเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ให้รู้กันว่าทฤษฎีสัมพันธภาพในงเล็บ Relativity ของโลกนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้แหละที่เป็นทฤษฎีสัมพันธภาพที่จะตอบสัมพันธภาพหรือความสืบต่อในองเล็บสันตติเท่ากับคอนตินัมรีเล i ีฟระหว่างพลังงานในองเล็บเอนยีน ที่นักวิทยาที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค้นพบได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นความสืบต่อของสรร พ, พสิ่งในด้านฟิสิกส์แม้แต่ด้านไบโอโลจีหรือด้านฟิโคลโลยีก็ศึกษากันมาสุดแล้วแต่ความสืบต่อของพลังงานหรือความสืบต่อของภาวะที่มีความเคลื่อนในตนเอง และเคลื่อนเลื่อนสถานะจากอุตุนิยามกลายไปเป็นผีชนิยามและเคลื่อนเลื่อนจากสถานะและเคลื่อนเลื่อนสถานะจากผีชนิยามกลายไปเป็นจิตนิยามได้อย่างไรตรงไหนในภาวะอะไรอย่างละเอียดลึกสุดโดยเฉพาะของพลังงานขั้นจิตนิยามในความเป็นกรรมและเป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคำเพีราในวงเล็บลึกซึ้งยิ่งทุตสาในวงเล็บเห็นตามได้ยากยิ่งทุรณุโพธาในวงเล็บรู้ตามได้ยากยิ่งสันตาในวงเล็บสงบพิเศษยิ่งปณิตาในวงเล็บสุขุมประนียิ่งอักตากาวัจาราในวงเล็บรู้ไม่ได้ด้วย ต, ตรรกะนิปุณาในวงเล็บ ละเอียดยิ่งปัณนติดเวทนียาในองเล็บรู้ได้เฉพาะบันดิตจริงความสืบต่อหรือความต่อเนื่องนี้คือคำว่าสันตติซึ่งไอน์สไตน์ในวงเล็บอันเบิร์สไอน์สไตน์ก็ค้นพบความสืบต่อหรือความต่อเนื่องได้ถึงขั้น Space and Time of Continuum ซึ่งเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพในอังเล็บ r e เลท t วิตีของโลกอันยิ่งใหญ่ที่คนยุคนี้ค้นพบและประกาศเปิดเผยแล้วซึ่งนำมาพิสูจน์ใช้งานกันเป็นความจริงที่ชัดเจนแล้วโลกรู้กันกว้างขวางส่วนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นทฤษฎีสัมพันธภาพในอังเล็บ r e เล i ิวิตของโลกในยะไม่แตกต่างกันเลย เพียงแต่มีความละเอียดสูงไปถึงขั้นนามธรรมลึกซึ้งถึงระดับลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณที่เป็นปรมัตถธรรมและเป็นโลกุตตรธรรมเข้าขั้นอริยะที่แท้จริงได้จริงพิสูจน์ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีทุกพิสูจน์ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทุกประการคือ ตามสว่าขาตธรรมและพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพในวงเล็บในวงเล็บรลเทียตี้ ativity, นี้ก่อนไอน์สไตน์มานานนับพันพั น, พนปีซึ่งความสืบต่อหรือสันตติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปฏิสัมพัทธ์ถึงขั้นกรรมและกับการคือ ก a m a าแอนทา o ออฟ n อนติ u นที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงเดียวกันแต่เป็นขั้นนามธรรมความรู้ของวิทยาศาสตร์ทางความรู้ของวิทยาศาสตร์ทางโลกนั้นค้นพบได้แค่ Space and Time of Continuum เป็นแค่วัตถุธรรมซึ่งไม่สามารถไขความลึกที่เป็นความลับขั้นนามธรรมที่เป็นกาลม a แอนทามออฟคอนติเ u ี ให้โลกรู้จักรู้แจ้งความจริงได้แต่พระพุทธเจ้าสามารถไขความลึกในความลับให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงจุดนี้ให้โลกรู้ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยอย่างเป็นทิสันทิติโกในวงเล็บผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามคําของผู้อื่นอากาลิโกในองเล็บเมื่อใดก็บรรลุได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจริงไม่จํากัดการเอหิปสิโกในอังเล็บท้าทายต่อการพิสูจน์ตรวจสอบใครๆก็มาดูได้มาเห็นได้โอปัญิโกในอังเล็บเป็นของสูงที่ควรน้อมน้อมเอามาให้ได้ ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิในวงเล็บต้องทำเองจึงจะได้เสวยผลเฉพาะตนทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้นี้คือสวากขาตธรรมอันหมายความว่าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นความจริงที่เชิญพิสูจน์ได้นั่นก็คือ พลังงานหรือความเคลื่อนของทุกภาวะมีวิธมีวิวัฒนาการอย่างไรตัดขาดสันตติในวงเล็บคอน t ิ n น u m r e อัมรลเทีฟกันตรงไหนหรือจะต่อสันตติในวงเล็บคอน t ิ n น u m r e อัมรลเทีฟตรงไหนก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตรงนั้นในวงเล็บหัทัยยรูปโดยสัมผัสภาวะนั้นๆ ชนิดที่รู้ได้ด้วยอาการขององค์ประกอบรูปกับนามเรียกว่ากายกายเป็นองค์รวมหรือองค์ประชุมที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีความรู้อย่างสัมมาทิฐิและต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่ากายนั้นหมายความว่าอย่างไรคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแท้หากยังมิจฉาทิฐิ ในความเป็นกายอยู่ก็ไม่สามารถจะรู้จักความเป็นกายได้แน่นอนก็ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมของพุทธได้แน่แนแนเด็ดขาดที่อาตมายืนยันหนักแน่นกันปานชนีก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธจะต้องพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งซึ่งมีว่าจะต้องพ้นสักกายะทิฐิจึงจะสามารถปฏิบัติเข้าสู่มรรคขั้นแรกแล้วจึงจะ เรียนรู้ปฏิบัติในขั้นต่อไปหากข้อแรกนี้ไม่พ้นมิจฉาทิฐิคือเข้าใจไม่ถูกต้องท่องแท้ในคำว่ากายซึ่งต้องเรียนรู้ให้ความเข้าใจความหมายซึ่งต้องเรียนรู้ให้ความเข้าใจความหมายในคำว่ากายให้เป็นสมาทิฐิก่อนอื่นแล้วจึงจะปฏิบัติด้วยการศึกษาหลักใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ คือไตรสิกขาซึ่งมีการปฏิบัติไปตามลำดับคือเริ่มตั้งแต่สมาทานสี่หแล้วจึงจะเพิ่มอธิสีนเป็นสีนแแล้วก็สีน10และสูงขึ้นไปอีกตามข้อสีนในจุลสีนยี่สิบหกและมั ช, มชิมศ ส, สีล10เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนครบ การเจริญอธิศีลอธิจิตเหน่งเล็บฌานและสมาธิอธิปัญญาไปเป็นลำดับลำดับเป็นความวิเศษชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เคยมีมาก่อนในโลกใหน่งเล็บพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อหนพระองค์ทรงยืนยันว่าเป็นความมหัศจรรย์กันทีเดียวซึ่งผู้ปฏิบัติ บ, ตบรรลุแล้วจริงจะรู้ยิ่ง ได้เองว่ามหาสัจรร์จริงและมหา ร, รั์เพราะอะไรอย่างไรก็จะได้รู้ตนก็จะได้รู้ด้วยตนในตนของตนอัตมาขอแวะแทกย้ำเรื่องศีลสมาธิปัญญาเข้ามาตรงนี้หน่อยเพื่อเพิ่มประกอบให้เห็นจริงในการศึกษาปฏิบัติธรรม ว่าแม้จะได้พูดได้อธิบายกันลึกซึ้งสูงส่งเข้าไปถึงปรมัธธรรมสุดยอดปานใดหรือจะใช้ภาษาและทฤษฎีของวิทยาศาสตร์มายืนยันเทียบเคียงอย่างลึกซึ้งสูงส่ ง, สงปานใดก็ต้องอยู่ในกรอบของไตรสิกขาทั้งสิ้นตรวจดูตนเองตามจุลศีลมัชิเมศีลมหาศีลดูดีๆเถิดที่สาคัญ ต้องเข้าใจความหมายของศีลแต่ละข้อแต่ละประเด็นให้ถ่องแท้และจะสอบทานตนเองดูได้ว่าเราจเจริญขึ้นถึงไหนกันแล้วว่าเราจเจริญขั้นถึงว่าเราจเจริญขึ้นถึงขั้นไหนแล้วอธิศีลแต่ละข้อแต่ละขั้นจะเป็นเครื่องชี้บ่งให้เรารู้ความจริงได้เป็นลำดับอย่างมหัศจรรย์จริงๆ ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่มิฉาทิฏฐิจะไม่สามารถเข้าใจหรือเห็นจริงตามที่อาตมาพูดนี้ได้เพราะปฏิบัติไม่มีลำดับและไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลซึ่งความลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลหรือเหมือนฝั่งมหาสมุทนี้ มันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของอธิศีนสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่เป็นในสำคัญยิ่งนั่นคือหมุนวนไปมาซ้ายขวาหรือสูงต่ำได้ด้วยไม่ใช่ว่าหมุนวนอยู่ในระดับเดิมหรือระนาบเดียวมิติเดียวเท่านั้นการหมุนวนนั้นในความจริงมีหมุนวนขั้นสูง หรือหมุนวนลงตำ่ำน้อยหรือมากดีหรือเลวก็ได้หรือหมุนวนเป็นแนวระนาบเดียวมิติเดียวหมุนไปวนมาไม่ขึ้นไม่ลงไม่มากไม่น้อยไม่สูงไม่ตำ่ำไม่ดีไม่เลวอยู่ในระมะอยู่ในระนาบเดียวมิติเดียวตลอดการเช่นเข้าใจคำว่า แปลว่าไม่แล้วก็ใช้ความหมายของไม่นี้วนไปวนมาอยู่ในระนาบเดียวระนาบเดิมมิติเดียวเป็นต้นว่าบาปบุญก็มิติเดียวถ้าไม่เป็นบาปก็เป็นบุญกันเลยจะขั้นเดียวอย่างเดียวระดับเดียวบาปน้อยลงน้อยลงบาปน้อยลงหนึ่งน้อยลงสองน้อยลงสาม ไม่ได้มากขึ้นหนึ่งมากขึ้นสองมากขึ้นสามไม่ได้เลยหรือบาปคือกิเลสบุญคือการชาระกิเลสเช่นกิเลสมากผู้ทำบุญก็คือผู้ทำการชาระกิเลสมากนั้นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นลาดับก็ได้ที่สุดชำระกิเลสจนหมดสิ้นได้ก็ไม่ต้องมีบุญ คือไม่ต้องมีการชำระกิเลสนั้นอีกแล้วกิเลสมันหมดแล้วมันเกลี้ยงแล้วมันไม่มีให้ชำระอีกแล้วก็ไม่ต้องมีบุญบุญคือการชำระกิเลสหรือเครื่องชำระกิเลสก็ไม่ต้องใช้เครื่องชำระอีกแล้วไม่มีการชำระกิเลสนั้นอีกแล้วจบก็ผู้สิ้นบุญสิ้นบาปในองเล็บป ap ุญญาปะปะบริขีโนคำว่าอะปุญญะ ในอปุญญาภิสังขารเป็นต้นที่หมายความว่าอภิสังขารคือได้ปรับแต่งหรือจัดการกําจัดกิเลสออกไปจากจิตใจได้หมดสิ้นแล้วก็เป็นอันจบบุญหรือเสร็จสิ้นการทําบุญไม่ต้องมีการทําบุญในวงเล็บอปุญญะกันต่อไปอีกแล้วอปุญญาภิสังขารคํานี้จึงหมายถึงว่าได้จัดการชําระกิเลส หมดสิ้นไม่ต้องทําบุญหรือไม่มีการทําบุญกันอีกสำหรับผู้จบกิจผู้นี้เพราะหมดบาปแล้วบุญก็ไม่ต้องมีแล้วด้วยประการชนี้ผู้ที่ยังเข้าใจคำว่าบุญหรือปุญญะยังไม่สัมมาทิฏฐิหลงไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะได้จะมีเหมือนวัตถุเหมือนสมบัติ เหมือนทรัพย์สินเหมือนข้าวเหมือนของเหมือนคุณงามความดีแบบโลกีเหมือนกุศลนั่นผิดยังมิชาทิฐิในความหมายแท้ของคำว่าบุญเพราะคำว่าบุญนี้เป็นโลกุตระธรรมไม่ใช่โลกียธรรมซึ่งหลงผิดกันมานานแสนานานแล้วบุญหรือปุญญะนี้คือเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือใช้กำจัดกิเลสชัมระกิเลสเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อื่นหรือเป็นเครื่องอาศัยชนิดใดอื่นเป็นอันขาดบุญคือเครื่องชำระ a กิเลสจากจิตให้สะอาดหมดจดเท่านั้นกิเลสหมดไปจากจิตเมื่อใดเมื่อนั้นก็ไม่ต้องใช้บุญไม่ต้องมีบุญหมดบุญสิ้นบุญทิ้งบุญได้เลย โดยไม่ถือว่าอากตัญญูต่อบุญเลยเพราะบุญหมดหน้าที่แล้วหมดกิจที่จะทำแล้วจบกิจและบุญก็ไม่ใช่จิต ด, ดีจิตชั่วใดๆเป็นแค่เครื่องมือหรือแค่ตัวการชำระกิเลสไม่ใช่เครื่องอาศัยเป็นสุขเป็นทุกข์แต่อย่างใดที่จะต้องมีต้องได้แต่ต้องทำเป็นแต่ถ้าถามว่า บุญเป็นภาวะที่ดีไหมบุญนี่แหละดีที่สุดที่คนทุกคนควรทำเป็นเป็นคนสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำไม่มีอะไรดีเท่าเลยแต่ไม่ใช่ดีอย่างวัตถุหรือแม้แต่มีนามธรรมมีอารมณ์เพียงแต่ว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่จะได้จะมี แบบเป็นสิ่งที่จะพอกพูนมากขึ้นเหมือนกุศลเหมือนบาปเหมือนข้าวของผู้ยิ่งได้บุญยิ่งมีบุญเป็นผลบุญในตนก็ลดลงลดลงลดลงเหมือนบาปของตนที่เราทำให้ลดลงลดลงลดลงได้ทำให้บาปในตนหมดสิ้นจนไม่ต้องกำจัดบาปกันอีกเป็นที่สุด บุญก็เป็นอันหมดหน้าที่ไม่ต้องใช้บุญไม่ต้องมีบุญใดสำหรับตนกันอีกเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญะปาปะ ป, ปริคีโนผู้ทำบุญถูกต้องเป็นสมาธิก็ทำบุญได้ผลเป็นผู้สามารถทำให้กิเลสออกจากตนหรือออกจากหรือตนออกจากกิเลสในวงเล็บเนคขมะ ถ้าทำบุญไม่เป็นทำบุญไม่ถูกต้องก็ไม่มีกิเลสออกกิเลสลดกิเลสก็ไม่ออกบุญไม่ใช่ของควรได้เลยแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เป็นใช้มีผลยิ่งใหญ่ของตนบุญจึงเป็นภาวะที่คนต้องทำให้ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรได้ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยบุญเป็นของ ไม่น่ามีเลยเพราะถ้าใครจะต้องมีบุญก็คือผู้จะต้องมีบาปคนต้องใช้บุญกำจัดบาปของตนผู้ยังต้องมีบุญต้องใช้บุญก็คือคนยังมีกิเลสคือคนคือยังเป็นคนที่ไม่ใช่อรหรันคนที่เป็นอรหรันคือคนไม่ต้องมีบุญคนผู้ใด ถ้าไม่มีกิเลสเกิดในตนอีกแล้วก็ไม่ต้องมีบุญมีก็แต่กุศลเป็นเครื่องอาศัยคนผู้รู้บุญถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็ไม่อยากได้บุญเพราะถ้าได้บุญก็คือยังมีบาปยังมีกิเลสจึงต้องมีเครื่องมือชำระกิเลสได้บุญก็คือได้ชำระกิเลสชำระกิเลสได้ก็เป็นส่วนบุญ เนงเล็บปุญญาภาคหรือส่วนแห่งบุญเน่งเล็บปุญญภาคิยาหมายความว่าชำระกิเลสไปได้เป็นส่วนๆคือส่วนบุญหรือส่วนที่ชำระหรือส่วนที่กิเลสถูกชำระออกไปได้เป็นส่วนๆซึ่งไม่ใช่ได้อะไรเข้ามาสะสมในตนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ที่แท้ถูกเอาออกไปออกไปออกไปต่างหาก บุญใครทำได้ก็กำจัดกิเลสตนได้กิเลสก็ออกไปออกไปจากใจเราไม่ใช่ได้อะไรเข้ามาบุญไม่ใช่ได้บุญมีการบุญมีแต่การเอาออกมีแต่ความไม่มีเข้ามาให้ตนได้บุญจึงคือการเอาออกที่สุดไม่มีบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ จะแบ่งแจกกันได้บุญไม่มีอะไรจะแบ่งแจกมีแต่การเอาออกหรือเอาบาปออกทำให้บาปลดลงหรือทำให้บาปไม่มีในจิตไม่มีบาปเกิดในจิตอีกใครไม่มีบาปแล้วก็ไม่ต้องมีบุญผู้รู้ความจริงถูกต้องจึงไม่อยากมีบุญใครเอาบุญมาหลอกว่าเป็นสวรรค์วิมาน วิมานสวรรค์อ่าใครเอาบุญมาหลอกว่าเป็นวิมานสวรรค์เป็นอะไรที่จะได้ในภายภาคหน้าจึงเป็นการโกหกไม่มีบุญอยู่ในภายภาคหน้าอยู่ในพข้างหน้าอยู่ในโลกข้างหน้าอยู่ในโลกหน้าบุญมีแต่การบุญมีแต่ในขณะปัจจุบัน คือการกำจัดกิเลส ท, ที่กำลังเกิดในปัจจุบันนอกปัจจุบันไม่มีบุญนอกปัจจุบันมีบุญไม่ได้บุญมีในโลกนี้เท่านั้นทําให้เกิดบุญได้ในโลกนี้เท่านั้นโลกหน้าโลกไหนที่ยังไม่ใช่ปัจจุบันไม่มีบุญไม่มีวิมานบุญทําในโลกปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะทําบุญได้ที่จะประพฤติ กำจัดกิเลสได้เลยปัจจุบันไปไม่มีโลกไหนละกิเลสได้มีได้ก็โลกนี้เท่านั้นในองเล็บอิทะรมยะพรในองเล็บอิทะพรหมจริยวาสในองเล็บอิทะพรหมจริยวาทโลกอื่นใดไม่มีโลกหน้าไหนนก็ไม่มีบุญเป็นวิมาน บุญมากบุญใหญ่ในโลกหน้าคือความหลอกลวงแท้ๆสดๆเหลวไหลทั้งนั้นเหลวไหลทั้งสิ้นบุญไม่มีในความเป็นพบเป็นชาติผู้ที่เอาบุญมาขายให้เอาเงินเอาทรัพย์สินมาบริจาคมาทำทานแล้วจะได้บุญมาหลอกว่าเป็นวิมานบุญมีในโลกหน้าคือคนขี้หลอก หรือคนง่อคนไม่รู้ทั้งสิ้นไม่ใช่คนมีปัญญาถ้ารู้ก็จะไม่โกหกผู้โกหกก็อย่าคบอย่าหลงลมปากเท็ดแ ท, ด ท, ดทด้บุญมีคำอธิบายเป็นภาษาบาลีสั้นๆว่าส an ันตานังปุนาติวิโสเทติซึ่งหมายความว่าการกํา การชำระกิเลสออกจากจิตสันดานให้สะอาดหมดจดในองเละพจนานุกรมบาลีไทยอังกฤษฉบับภูมิพโลภพิขุเล่มหหน้า2416บบุญมีแต่หน้าที่บุญไม่เหมือนคำว่ากุศล เพราะกุศลหมายถึงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คนต้องมีต้องได้แม้แต่อรหันแล้วก็ต้องอาศัยกุศลในการมีชีวิตเพราะเป็นความมีคือพระเจ้าคือความดีไม่มีด่างพร้อยจึงต้องมีให้ได้เสมอตลอดกาลคนต้องมีพระเจ้าคนไม่มีพระเจ้าคือคนไม่ดีมีพระเจ้าคือในจิตใจไม่มีมารผี คนทุกคนควรเป็นคนมีพระเจ้าที่ไม่ควรมีคือมารคือซาตานคือผีคือความชั่วคือกิเลสคือความไม่ดีจึงต้องเพียรเรียนรู้ตัวมาในตนตัวผีตัวความชั่ว ตัวกิเลสตัวความไม่ดีในใจตนต้องเพียรเรียนรู้ความไม่ดีของตนนั่นก็คือบาปนั่นเองที่จะต้องรู้จักที่จะต้องรู้จักมันในตนเองให้ได้ไม่เช่นนั้นก็เอาตัวมันออกไม่ถูกตัวของมันบาปตัวแท้คือกิเลสดังนั้นบาปตัวจริงจะเกิดในขณะมีการกระทบสัมผัส แล้วมันเกิดขึ้นในใจเราจริงๆมีอาการให้เราอ่านรู้ได้จริงๆแล้วกําจัดมันให้หมดอาการชนิดที่ไม่มีอาการนั้นเกิดอีกถาวรยั่งยืนตลอดกาลไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กําเริบดังนั้นถ้าใครไม่อยากเรียนรู้อาการของกิเลสในตนมันก็อยู่กับเรา แพร่พัน์ขยายพันธ์กิเลสมากมายใหญ่โตต่อไปทับทวีในตัวเราไม่รู้จักจบสิ้นไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแต่ถ้าหากผู้ใดเริ่มต้นและตั้งใจเรียนรู้อาการของกิเลสในตนได้อาการของกิเลสนี้แหละคืออกุศลจิตที่เราจะต้องกําจัดออกไปตามลําดับก็มีหวังหมดได้จริง บรรลุนิพพานแน่การเรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติธรรมขณะมีสัมผัสเป็นปัจจัยจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเหตุในองเล็บสมุทยัยอันคือเหตุอันคือกิเลสตัณหาให้เรากำจัดได้จริงจึงจะเกิดสัมมาสมาธิในองเล็บพระไตปิฎก เล่ม24ข้อ 58, มูลสูตรปุถุชนคือคนไม่รู้ในองเล็บอวิชชาก็คือไม่รู้เรื่องนี้เองคือไม่รู้การกำจัดกิเลสออกจากจิตใจอย่างคือไม่รู้กิเลสปุถุชนคือคนไม่รู้ในองเล็บอวิชชาก็คือ ไม่รู้เรื่องนี้เองคือไม่รู้การกำจัดกิเลสออกจากจิตใจตนอย่างสัมมาทิฏฐิแม้ใครคนใดจะมีความฉลาดอื่นๆนอกจากเรื่องนี้มากมายเป็นอัจฉริย์ปานใดก็ตามแต่ถ้าไม่รู้จักกิเลสอย่างสัมผัสมันจริงและกำจัดมันได้จริงชนิดที่เราเห็นในเล็ดปสติจริงๆรแจ้งแจ้ตงต้องต้องัดหลัดในเล็ดสัจฉิ ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงที่ภาษาของพุทธเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเป็นวิชาข้อที่หนึ่งในวิชา8ซึ่งเป็นความรู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงในจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกเป็นนามธาตุหรือนามธรรม นักปฏิบัติธรรมจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในนามรูปก็ต้องเรียนรู้จักนามห้าและรูปยี่สิบแปดหนึ่งเล่มพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ14นามห้าได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการและยังจะมีละเอียดแยกย่อยออกไปอีกเป็นจิตเจเป็นจิต89 หรือ121อย่างพิสดารเจตสิกห้าสิบสองและรูป28ได้แก่มหาพุตธรูป4ปสาธรูป5โคจารูปหภาวรูปหภาวะรูปสองหัทยรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งปริเชตรูปหนึ่งวิญยทรูปสอง วิการรูป5ลักษณะรูป4ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม34ข้อ5 0าจิตก็คือพลังงานในความเป็นชีวิตระดับจิตนิยามหรือพลังงานที่มีแรงเคลื่อนเป็นอัตโนมัติของตนในความเป็นชีวะยืนยันความเป็นชีวิตของความเป็นสัตว์ซึ่งท่านแยกไว้ ให้ศึกษาว่ามี89หรือ121ลักษณะอย่างพิสดารเป็นต้นนั่นเองเจตสิกคืออาการของจิตอีกทีหนึ่งที่แจกอาการละเอียดแยกย่อยออกไปของจิตเป็นเจตสิกห้ 52, ลักษณะดังกล่าวมาจิตหรือเจตสิก เป็นภาวะาธาตรู้ที่มีอาการของความรู้ในตนเองของตนเองเช่นเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์เรียกว่าเวทนาเป็นการจงไว้หรือการกำหนดรู้ได้เรียกว่าสัญญาเป็นการปรุงแต่งของรูปของนามหรือการจัดการของรูปของนามเรียกว่าสังขารเป็นาธาตรู้ องรวมที่มีสังขารหรือนามเป็นรูปเป็นปัจจัยจึงก่อให้เกิดวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังนั้นการจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณจึงต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยหรือมีเหตุเกิดในองเล็บสมุทยัยตามหลักมูลสูตร10ในงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58 ผู้ใดเห็นในองเล็บปัสสติวิญญาณจากการสัมผัสกันของรูปกับนามในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16บหกข้อหนึ่อ่านอาการของจิตตนเองออกว่ากายในองเล็บองค์ประชุมของรูปกับนามมีภาวะอย่างนี้อย่างนี้กายนี้ก็คือวิญญาณในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16บหกข้อสอง เช่นจักรสุวิญญาณในองเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของตากับรูปโสตะวิญญาณในองเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของหูกับเสียงคารณวิญญาณในองเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของจมูกกับกลิ่นชิวหาวิญญาณในองเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของลิ้นกับรสกายะวิญญาณในองเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของส่วนภายนอกกับผลทัพทะ มโนวิญญาณในวงเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของจิตภายในกับธรรมในวงเล็บเกิดจากการสัมผัสกันของจิตภายในกับธรรมซึ่งจะสามารถแยกได้ว่านี้คือรู ป, ปกายนี้คือนามกายก็ต้อง อ่านจากอาการลิงคะนิมิตอุเทศในวเล็บพระไตรปิฎกเล่มสบข้อ60ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งความเป็นรู ป, ปกายทั้งความเป็นนามกายว่ามีความแตกต่างกันในวเล็บลิงคะอย่างไรแม้แต่ในรู ป, ปกายเองก็ยังมีรู ป, ปกายต่างๆ หรือในนามากายเองก็ยังมีนามากายต่างๆในวงเล็บลิงคะที่มีอาการมีนิมิตที่แตกต่างกันข้อหนึ่งจากอาการซึ่งหมายถึงหนึ่งจากอาการซึ่งหมายถึงกิริยาหรือความไหวเคลื่อนของรูปนั้นนามนั้นสองจากลิงคะในวงเล็บเพศ ก็หมายถึงความแตกต่างกันไม่ว่าของรูปหรือของนามสามจากนิมิตหมายถึงเครื่องหมายที่ผู้ปฏิบัติสามารถกําหนดรู้รูปนั้นนามนั้น 4. จากอุทเทศหมายถึงคําอธิบายจากข้อธรรมทั้งหลายของผู้รู้ที่สัมมาทิฐิเมื่อผู้ปฏิบัติรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงแล้วผู้นั้นจึงจะบัญญัติในองเล็บการเรียกชื่อชื่อที่ตั้งขึ้นได้ว่าภาวะนั้นภาวะนี้คืออะไรเป็นอย่างไรซึ่งต้องรู้จักรู้แจ้งทั้งในรูปทั้งในนามขาดรูปก็ไม่ได้ขาดนามก็ไม่ได้จึงเรียกว่าธรรมะสองแม้ภาวะที่ถูกรู้นั้น จะเป็นนามธรรมหรือนามธาตุก็ภาวะที่ถูกรู้นั่นละ่ะก็ภาวะที่ถูกรู้นั่นแหละคือกายที่เรียกว่านามกายจากพระตรปิฎกเล่ม10บข้อ60นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าดูกระอานุนรมทั้งสองเหล่านี้หนึ่งเล็บเทเวธรมา รวมเป็นเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองหน่งเล็บทวเยนะเวทนายะเอกะสมุ ส, มสรนาพวันติด้วยประกาศด้วยประการดังนี้แลก็คำว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกะระอานุนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดวิธนาดูกระอนต์ก็ถ้าผัสสะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือจักษุสัมผัสโซตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสหนึ่งเล็บคือสัมผัสทั้งหกไม่มีเลย เมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอานุนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูกระอานน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดภาษะดูกระอานน์การบัญญัตินามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศในวงเล็บลิงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการลิงคะในวงเล็บเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัส เพียงแต่ชื่อในวงเล็บ อ, อธิวจนะสัมผัสโซในรู ป, ปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าดูกระอานนุนการบัญญัติรู ป, ปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบ ในองเล็บปฏิฆะสัมผัสโซจะพึงปรากฏในนามกายได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอานน์การบัญญัตินามกายก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการเพศในวงเล็บลิงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในวงเล็บอธิวัจนะสัมผัสโซก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบในองเล็บปฏิฆะสัมผัสโซก็ดีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าดูกระอานุนการบัญญัตินามารูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีภาษะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า เพราะเหตุนั่นแหละอานุเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองเหตุและสมุทัยเป็นนามธรรมเหตุและสมุทัยเป็นธรรมะสองก็ต่อเนื่องด้วยปัจจัยทำให้เกิดนิทานและเกิดเรื่องราวเกิดนิยายชีวิตเต็มโลก เพราะธรรมะสองชั้นใดก็ชั้นเดียวกันกันกบสสารกับพลังงานที่เป็นธรรมะสองของธรรมชาติในมหาจักรวาลในวงเล็บเอกภพที่ไอน์สไตน์ค้นพบความสัมผัสสัมพันธ์เกิดเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพรู้จักรู้แจ้งรู้จริง Space and Time of Continuum ส่วนพระพุทธเจ้าก็ทฤษฎีสัมพันธภาพเยี่ยงเดียวกัน แม้เป็นเรื่องของจิตนิยามซึ่งเป็นสสารกับพลังงานและเป็นพลังงานระดับชีวะในความเป็นสัตว์ทีเดียวที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกาเมแอน t i ม e ออฟคอน i ิ u u m ที่สำคัญยิ่งของพุทธนั้นคือสามารถทาธรรมชาติแห่งธรรมสองให้เป็นธรรมเดียวคือเอกธรรม คือเอกสมุสณาเป็นต้นหรือเอกขตาแบบสัมมาญาณสัมมา ส, สมาธิและหรือทรรมให้เป็นธรรมะศูนย์ในวงเล็บศูนย์ยัตรธรรมได้อย่างเป็นจริงอีกด้วยคำว่าธรรมะสองในวงเล็บทเวธรรมานี้แหละ ที่คือกายที่นักปฏิบัติธรรมทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษาเป็นสำคัญหากเข้าใจความเป็นกายไม่สัมมาทิฏฐิก็ไม่มีทางบรรลุ ธ, ธรรมที่เป็นโลกุต ร, ระของพุทธเดดขาดและธรรมสองนี้เองที่พระพุทธเจ้าสรุปจุดที่ต้องศึกษาหาหนิพานกันไวให้อย่างชัดที่สุดแล้วคือพระองค์ตรัสว่าธรรมะสองนี้แหละ รวมเป็นหนึ่งในเวทนาหนึ่งเล็บทเวทมาทวเยนะเวทนายะเอกสมุสระนาเพราะวันติหรือที่ท่านแปลกันในพระตรปิฎกว่ารวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาซึ่งความว่ารวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาหนึ่งเล็บเวทนายะเอกสมุสาระนาก็ดีมีเวทนาเป็นที่ประชุมรง มีเวทนาเป็นที่มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงในองเล็บเวทนาสมุสรนาก็ดีมีความหมายเดียวกันแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ชัดเจนว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเช่นในมูลสูตรสิก็มีว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม23่สิข้อหนึ หรือในสมิทธิทสูตรพระสารีบุตรก็ยืนยันไว้อีกว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงในเลุลเลพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ218และในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58ก็มียืนยันมูลสูตร10บชัดๆตรงกันอยู่อีกอ่านคำตรัสของพระพุทธเจ้าซ้ำดูอีกที เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูกระอานุนก็ถ้าผัสสะไม่ได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือจักษุสัมผัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสในองเล็บไม่มีสัมผัสทั้งภายนอกภายในเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้ เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมก็ย่อมมีเวทนาใดๆไม่ได้ใช่ไหมแต่คำว่าดับภาษาเสียได้ในที่นี้นี่แหละเป็นนัยสำคัญที่จะต้องชัดเจนให้ดีว่าภาษที่ถูกดับนี้หมายถึงดับภาษะตรงไหนดับอะไรในภาษะที่สำคัญยิ่งแท้ นั่นก็คือดับ菩ะที่ยังมีเวทนาอยู่พร้อมไม่ใช่ไรเวทนาหมดสิ้นไม่มีเหลือความรู้สึกความรับรู้ใดๆเลยถ้าไม่มี菩ะจากภายนอกเลยก็แน่นอน菩ะใดๆทั้งภายนอกหรือภายในนั้นไม่มีแต่ที่ลึกซึ้งซับซ้อนก็คือ ผลสำเร็จของศาสนาพุทธที่วิเศษคือดับเวทนาในการมาพบขั้นต้นเท่ากับดับผัสสะในการมาพบไ ด, ด้ได้ก่อนแล้วขั้นต่อจึงจะดับเวทนาในรูปพบอรูปพบแต่ที่ลึกซึ้งซับซ้อนยิ่งก็คือตาหูจมูก ลิ้นกายใจยังขึ้นรับวิถีมีสัมผัสชาเวทนาในางเงล็บความเสวยอารมณ์อันเกิดจากสัมผัสรับรู้ภายนอกอยู่ทุกทวารและเวทนารับรู้อยู่เต็มสภาพแต่ก็ดับเวทนาดับผัสในส่วนหนึ่งจริงซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมสามารถดับเวทนาในเวทนาขณะที่มีผสัสในงเงล็บมีผัส ในวงเล็บมีสัมภสชาเวสในวงเล็บมีสัมภในวงเล็บมีสัมภสชาเวทนาอยู่นั่นเองจึงเป็นเวทนาสองในวงเล็บเวทนาที่เป็นโลกิยะกับเวทนาที่เป็นโลกุตระหรือเป็นเคหะสิตะกับเนคข ม, มะสิตะที่สามารถทําให้รวมลงเป็นหนึ่งในวงเล็บเอกสโมโอสรารนาคือ เป็นเวทนาที่เป็นโลกุตระอันเดียวได้โดยไม่มีเป็นเวทนาที่เป็นโลกุตระอันเดียวได้โดยอารมณ์โลกีไม่มี ท, ทั้งทั้งที่เวทนาสองรับรู้โลกิยะกามภพก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่แท้แท ในองเล็บจบฉบับที่หนึ่งในองเล็บจบฉบับที่301ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมสามารถดับเวทนาในเวทนาขณะที่มีผัสสะในองเล็บมีสัมผัสชาวเวทนาอยู่นั่นเองจึงเป็นเวทนาสองในองเล็บเวทนาที่เป็นโลกิยะกับเวทนาที่เป็นโลกุตระ หรือเป็นเคหะสิตะกับเนคมะสิตะที่สามารถทำให้รวมลงเป็นหนึ่งในองเล็บเอกะสมุสารนาคือเป็นเวทนาที่เป็นโลกุตระอันเดียวได้โดยอารมณ์โลกีไม่มีทั้งทั้งที่เวทนาสองรับรู้โลกียะกามภพก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่แท้ในองเล็บจบฉบับที่ส0 1หนึ่ง